พระพเนี่ยอุดมคติหรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการพ้นทุกข์นะไม่ใช่การเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าคนในคนหรือว่ า, ามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าจะรวยแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่นะ ถ้าหากว่าจะเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องอย่าลืมนะจุดมุ่งหมายของเรานะคือการพ้นทุกข์แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจนะจุดมุ่งหมายก็คือความสำเร็จความร่ำรวยถ้าเป็นนักการเมือง ก, ก็คือการได้นะมีอำนาจมาีตำแหน่งในในทางการเมืองรัฐมนตรีนรัฐมนตรี อันนั้นก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจเป็นเรื่องนักการเมืองหรือนักกีฬาก็อยากจะได้เหรียญทองส่วนชาวพุทธเนี่ยจุดหมายสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์ครนี้เราขึ้นว่าเราจะเอาอะไรเป็นใหญ่นะียเราจะเอาความเป็นชาวพุทธหรือว่าเราจะเอาความเป็นนักธุรกิจหรือว่าความเป็นนักการเมืองหรือว่านักกีฬา คนเรานี่เป็นหลายอย่างในเวลาเดียวกันนอกจากอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วนะเราก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะเป็นหลานในตแต่ละแต่ละฐานะเนี่ยมันก็มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปคนเราก็มีอยู่หลายหมวกนะอยู่หลายสถานนะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นนักธุรกิจนะ หรือว่าเป็นข้าราชการเป็นครูแต่ขณดเดียวกันแล้วก็เป็นชาวพุทธเราจะเอาอะไรเป็นใหญ่นะถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยนะเขาก็จะเอานะความเป็นชาวพุทธเป็นใหญ่ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องรองเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการมันก็มีวันเกษียณ นะแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันก็ยังมีการแปลผันนะเกิดว่าลูกตายนะความเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ก็แท้เรียกว่าจบลงหรือว่าถ้าเกิดพ่อแม่ตายนะความเป็นลูกมันก็จบนะแต่ว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะ ถ้าเราเข้าใจความหมายของความเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไปนะจนตายไม่มีวันเกษียณคันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยจุดหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์แต่ว่าแม้จะมุ่งพ้นทุกข์นะก็ชาวพุทธเราไม่กลัวทุกข์นะเราไม่กลัวทุกข์นะ ถ้าพ้นทุกข์เนี่ยแต่ว่ากลัวทุกข์นี่มันก็พ้นทุกข์ยากนะจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการไม่กลัวความทุกข์นะไม่ใช่ว่าวันทั้งวันก็สวดภาวนาแต่ขอให้นะประสบแต่ความสุขหรือว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีอุปสรรคนะทาไมเราชาวพุทธไม่กลัวความทุกข์นะก็เพราะว่าหนึ่ง เราเห็นว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาโลกเป็นธรรมดาของชีวิตนะอะไรที่เป็นธรรมดาเนี่ยนะเราไม่ควรกลัวเพราะถ้าเรากลัวนี่มันก็แย่ละนะเมื่อมันเป็นธรรมดาก็ต้องทําใจยอมรับนะแน่นอนนะก็พยายามที่จะป้องกัน ร, รักษาไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรป้องกันอย่างไร สุขก็ต้องเกิดขึ้นจนได้เช่นความแกนะ่ความชราความเจ็บความป่วยถ้าเรากลัวความแก่นะเราก็จะไม่มีความสุขนะเวลานะผมเริ่มงอกหนังเริ่มเหี่ยวนะแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดานะถึงเวลามันแก่เออเราก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรหรือว่าความป่วยก็เหมือนกันนะเมื่อเราร่วมเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นนะเราก็ นะไม่ตื่นตระหนกแต่ถ้ากลัวมันตั้งแต่แรกนะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วพอเจอผมงอกนะพอเจอหนังเริ่มเหี่ยวนะมีตีนกานะเริ่มชัดเจนขึ้นนะก็บางคนก็ถึงกับนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็มีแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อที่จะให้ความชรามันไม่ปรากฏซึ่งก็ บ่อยครั้งก็ทําให้ปัญหาตามมาอีกมากมายเราไม่กลัวความทุกข์นะเพราะเราเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาและประการต่อมาก็เพราะเราเห็นว่าความทุกข์นี้มีประโยชน์นะความทุกข์นี้มีประโยชน์ถ้าหมอมเห็นตรงนี้นะจะเรียกว่าเป็นชาวพูทธได้ไม่เต็มขั้นนะชาวพูดธเราต้องเห็นว่าหนึ่งเนี่ยความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว เป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเราสวดทุกวันทุกเช้าใครจะการเราก็เห็นว่าความทุกข์นี่มีประโยชน์ด้วยนะความทุกข์มีประโยชน์นะ ม, ม, ชนมันประโยชน์อย่างแรกคือว่ามันสามารถจะทําให้เราเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวผลักไสหรือว่าผลักดันให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมได้ในสองพิธีการนี่มีผู้ที่รู้ธรรมมากมายนะเพราะว่าเจอความทุกข์นะ เช่นถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกบริภาดแล้วเกิดความทุกข์มากมีพระรูปหนึ่งชื่อพระยะโสชะนะพระยะโสชะนี่ก็เป็นชาวประมงตอนหลังก็เกิดศรัทธาในพระตนนัต้ตายก็มาบวชเป็นหัวหน้านี่ก็เลยมีลูกน้องเยอะมาบวช ด, ด้วยกันประมาณห้าร้อยห้าร้อยแปลว่ามากวันหนึ่งก็พากันมากราบพระเจ้า มาที่เชตวันแต่ว่าส่งเสียงดังพุ้าก็บริาพาทอย่างแรงเลยนะก็เสียใจนะแต่ว่าความเสียใจนี้เนี่ยมันก็เป็นขุนนะเพราะว่าทำให้เกิดสํนนึกผิดพุ้าระยออกจากเชตาวันก็ไม่ไปไหนหรอกก็ไปอยู่ใกล้ๆไปหาหลักไปหาที่ที่สงบสงัดริมแม่น้ําแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยเราจ ะ, ะต่างคนต่างจะแยกย้าย ก, กันไปปฏิบัต ถูกพระเจ้าบริพาศแล้วเนี่ยต้องสำนึกแล้วก็ในสุดนะในพรรษานั้นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคือถ้าไม่โดนพรธเจ้าบริพาศเนี่ยก็ก็คงจะหลั่นลาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมบางท่านเนี่ยโดนลูกด่านะพิสุจนี่ท่านหนึ่งเนี่ยท้องนะ มารู้ว่าท้องก็ตอนที่มาบวชแล้วเกือบจะโดนจับศึกซะแล้วนะพระเทวทัานเนี่ยจับศึกข้อหาว่าปราชิกนะไปมีเพศสัมพันธ์หลังบวชแต่ว่าตอนหลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้นางวิสาข า, าวินิจฉัยนางวิสาขาก็วินิจฉัยว่าเนี่ยนางมีเพศสัมพันธ์ก่อนบวชนะก็เลย ไม่ต้องสึกนะแต่ว่าพอลูกคลอดออกมาก็ต้องเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงนะก็ไปอยู่กับพระเจ้าเปรตที่โกศลชื่อกุมารกัสปะอ่ากุมารกัสปานี้ตอนหลังก็บวชนะมาบวชส่วนแม่ชื่อแม่พิสุ น, นีเนี่ยก็คิดถึงลูกนึกถึงลูกตลอดเวลา ปฏิบัติธรรมไปก็นึกถึงลูกไปนะพอรู้ว่าลูกบวชเนี่ยก็อยากจะเจอนะอยู่คนละสำนักนะแล้ววันเช้า ว, วันหนึ่งก็ได้เจอนะพระ ก, กุมารกัสปะนะท่านกำลังบินธบาติพิสุนีผู้เป็นแม่ก็เห็นนะก็ดีใจนะนะสาวเท้าขึ้นไปลืมตัวจะไปสัมผัสกับลูกพระ ก, กุมารกัสปะเห็นนะก็ รู้ว่าแม่เรานี่ยังผูกพันในตัวเราอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ผูกพันอยู่นี่ก็คงจะไม่บรรลุธรรมแล้วก็คงไม่เจริญก้าวหน้าก็เลยหันมานะพูดเสียงแข็งต่อว่าว่าเนี่ยท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะบวชมาต้องนานแล้วนี่ยังตัดใจในลูกไม่ได้เชียวหรือโอพิสุนีนี่ช็อกเลยจนะไม่คิดว่าลูกนี่จะพูดกับแม่แบบนี้ เราสาห่วงนึกถึงลูกนะแต่ลูกไม่นึกถึงเราเลยกลับพูดด้วยถอย้อยคําที่หยาบกระด้างไม่มีน้ําใจก็เลยตัดใจเลยนะตัดใจลูกไม่ไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจลูกแล้วล่ะก็เลยทําความเพียรนะจิตก็ยุ่งก็มุ่งอยู่กับการทําความเพียรปรากฏว่าวันนั้นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระหรหัสนี่ทําให้โดนลูกว่านะก็ ก็คงจะยังหลงวนเวียนนะอยู่กับความคิดถึงลูกลูกนี้ก็เป็นพระอรหันต์นะพระกุมาร ก, กสปะที่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้จงเกียจจงชังหรือว่าเหินห่างมังเมินกับแม่ที่เป็นพิสุณีแต่ท่านรู้ว่าต้องต้องใช้ไม้แข็งนะแล้วก็ได้ผลนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้พิสุณ์ีตัดใจนะไม่นึกถึงลูกได้ ก็ทำให้จิตแน่วแน่กับการทำความเพียรแล้วก็เห็นผลทันทีหลายท่านที่นะั้ที่เจอไม้แข็งนะที่ทำให้เรียกว่าเกิดความทุกข์แต่ว่าเมื่อได้สตินะก็ทำให้เกิดความเพียรอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพระชัน น, นะพระฉันนานี่ก็เราก็คงรู้จักดีน ะ, ะเป็นสหาชาติกับพืเจ้า ก็วันที่พูะเจ้าวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมหาพิธี ส, สกมเนี่ยชันนาก็ตามไปด้วยแล้วก็พอพู้เจ้าตัดสรุชันนาก็มาบวชนะมาบวชแล้วนี่ก็เถือพิเศษนะถื่อเป็นคนใกล้ชิด ก, กับพูะเจ้านะก็ก็เลยไม่ค่อยปฏิบัติตามพระวินัยเท่าไหรนะ่ใครสอนใครแน่ก็ ไม่ฟังเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยเส้นใหญ่นะเป็นเส้นใหญ่นะเป็นสหาชาติกับผู้ริจเจ้าแม้แต่ผู้เจ้าเตือนนะก็ไม่ฟังนะแคนที่ใกล้ชิดกับผู้เจ้ามากเนี่ยบางทีสอนยากที่สุดเลยยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ก็สอนยากอย่างอนาถปิฎิกาเนี่ยสอนคนอื่นได้แต่สอนลูกไม่ได้นะต้องให้ผู้เจ้านี่ไปสอ น, นฉันหน้านนี้ก็เหมือนกันนะ ไม่สนใจเลยใครใครเตือนใครแนะนำแม้แต่พระโมคคัลลาสัลีบุตรพราถือว่าตัวเองเนี่ยมาก่อนนะอ้างความเป็นอเพื่อนสนิทนะของผู้เจ้าก็ต่อว่าพระสัลีบุตรต่อว่าพระโมคคัลลานะส่วนหนึ่งก็เพราะถือว่าอายุอ่อนกว่าด้วยสุดท้ายพระเจ้าในก่อนที่จะไปนิพพานก็ฝากฝังนะฝากคณะสงฆ์ว่าเมื่อพระองค์ไินิพพานแล้วก็ให้ คณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทานลงพรหมทันชนะเลยนะพระชนะพรหมทันคือว่าไม่พูดไม่คุยไม่สมาคมนะพระเจ้าประนิพนธ์ น, นะคณะสงฆ์ก็ลงพรหมทันตัดสินลงพรหมทันให้พระอนนท์เนี่ยไปแจ้งไปบอกข่าวพระอนั้นก็เดินทางไปถึงโกสัมพีเลยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโกสัมพีตอนนั้นพระฉันะนอีกโนนแล้วก็บอกข่าวว่าเนี่ยสงฆ์ลงพรหมทัน วาฉันน่าไม่รู้พรหมทานแปลว่าอะไรพอรู้ความหมายนี่เป็นลมเลยนะเพราะไม่คิดว่าจะเจอหนักขนาดนี้นะแต่ว่าได้ผลนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาสำนึกตัวนะรู้ว่าทำผิดทำพลาดไปก็เลยทำความเพียรสุดท้ายก็จะเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ที่ถูกต่อว่าถูกตาหนิถูกบริภาพาถูกลงโทษนี่เยอะแยะเลยก น, นะแต่ว่า เพรถูกตาหนิเพราะถูกบริพาศเนี่ยจนกระทั่งเกิดความทุกข์ความเสียใจนั่นแหละที่ทําให้หันมากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติธรรมได้นะถูกด่าจึงบรรลุ ธ, ธรรมนะถูกบริพาศถูกนะลงโทษจรึงบรรลุ ธ, ธรรมนี่มีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถูกบริพาศถูกต่อว่าเนี่ยนะก็ลองมองในแง่ดีว่าเออนะมันมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความ สํานึกผิดหรือว่ากลับเนื้อกลับตัวได้คนที่จะรับคาชมแล้วบารุธรรมนี้ไม่ค่อยมีนะจะรับคําชมแล้วบารุธรรมีแต่ว่าบารุธรรมเพราะถูกด่าถูกว่านะถูกลงโทษนะอันนี้แหละประโยชน์ความทุกข์นะประโยชน์ของอนิถารลมสิ่งที่ขาดอกขัดใจความเบื่อก็ช่วยได้เยอะนะอย่างยาสกุลบุตรเนี่ยนะเบื่อนะ อยู่ประสาทาหรังนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งเหล้ายาทั้งสุรานารีแต่เบื่อนะเบื่อวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงข้ารับใช้นี่นอนนะกายกองเห็นแล้วเหมือนซากศพนะบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดด้วยบางคนก็น้ำลายไหลเกิดความปร่งนะเกิดเบื่อขึ้นมารู้สึกชีตที่เป็นอยู่มันไร้สาระเหลือเกิน ไม่รู้ทํำยังไงนะก็เลยเดินเลื่อยเปื่อยออกจากคฤหาสน์เข้าไปในป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เลยเจอพระพุทธเจ้าวดีนั้นตอนนั้นเป็นภาษาแรกที่พรุทธเจ้าอยู่ป่าอิสิปตนะถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งไม่รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่านะก็คงจะไม่เดินดุ่มๆออกไปนอกนอกบ้านอย่างนั้นก็กลายเป็นดีไปนะเพราะว่าพอเจอพรพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงธรรม ก่อนที่จะเจอนะพจะจะสสาก็บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะมันแสดงความเบื่อเบื่อมากมากเลยแต่พอได้ยินพระเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเนี่ยก็สะดุดใจนะก็เลยนะฟังนะมันเลยสนทนามากับพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมให้มีตัวอย่างมากมายในะคนที่เจอความทุกข์ความเบื่อหรือว่าถูก ตำหนี่ต่อว่าแล้วเนี่ยเขาสามารถจะบรรลุธรรมได้อันนี้คือประโยชน์ของความทุกข์นะมันสามารถจะผลักดันให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมะได้บางคนก็เจอหนักนะอย่างนางกีสาวก็จะมีลูกตายอุ้มศพลูกลูกยังเด็กอยู่เลยยอมรับไม่ได้อุ้มศพลูกไปให้ใครต่อใครปลุกให้ฟื้นทุกคนก็สายหัวก็มีคนหนึ่งแนให้หาพระพุทธเจ้า นี่ทะลุไม่ตายนี่ก็คงมันจะไม่ได้พบพระ เ, เจ้านะและพระองค์ก็ออกอุบายให้ไปไปหาไม่ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะทุกคนก็สมัยก่อนทุกบ้านก็มีไม่ประกาศนะแต่ว่าพอถามว่ามีคนตายมันก็มีคนตายทุกบ้านทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าความตายเป็นธรรมดาทุกทุกบ้านทุกครอบครัวล้นแต่ล้นแต่เจอความพลาดพลาดสูญเสีย ก็เลยยอมรับได้ยอมรับได้วลูกตายเอาลูกไปเผาแล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเลยแสดงธรรมแค่ไม่กี่ประโยคนังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์แสดงธรรมว่าอะไรพระองค์แสดงธรรมว่านะมฤตยูเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในรูปในอในครอบครัวในทรัพย์ในสัตว์เลี้ยงเหมือนกับ น้ำปาที่พัดพาผู้ที่นอนหลับหลายไปชันนั้นคือได้เห็นโทษของความยุติติดนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะความยุติติดในลูกนะี่ยและพอลูกตายก็เศร้าพอได้ฟังธรรมเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าสกิดธุลีที่อยู่ในดวงตานะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวนะมันแจ่มแจ้งนะพอได้ฟังธรรมเนี่ยก็ได้คิดเลยเกิดปัญญาขึ้นมา อ่อันเนี้ยก็เป็นเรื่องของคนที่ถ้าไม่เจอทุกข์นะก็ไม่เข้าหาธรรมนะทุกข์เนี่ยมันมีแรงผลักที่ทำให้คนเข้าหาธรรมได้เยอะทีเดียวอ่าหลายคนนะ่ะที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เจอเศรษฐกิจวิกฤตในปีสี่ศูนย์เนี่ยนะจนหมดเนื้อหมดตัวแถนปิดติดหนี้ไม่รู้ทำยังไงก็เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมก็เลยพบนะเลยพบกับความสุข ทุกเนี่ยมันมีแรงผลักนาะที่สามารถจะทำให้คนเรานี่ได้ไปเจอวิธีแห่งความสุขหรือว่าชีวิตที่ประเสริฐได้ถ้าไม่เจอทุ ก, ก็ยังคงหลงวนอยู่กับวิธีชีวิตแบบเดิมๆความคิดแบบเดิมๆซึ่งมันมีแต่ทำให้นะสุขสุขทุกทุกนะหรือไม่ก็ทำให้ทุกถาวรเลยคนเรานี่ก็พอใจนะอยู่กับวงเวียนวัฏจักรแบบนั้นเพราะว่ามันสบายนะท่านที่ มันก็ทุกข์นะแต่ว่าก็ยังสลัดออกจากมันหรือว่าหนีจากมันไม่ได้นะจนั้งเจอความทุกข์นี่แหละทำให้ต้องออกมาจากคุกออกมาจากกรงออกมาจากชีวิตเดิมๆซึ่งเคยหวงเคยแหนเอาไว้แต่ว่ากลายเป็นดีนะเพราะไปเจอนะไปเจอวิธีแห่งความสุขไปเจอประตูสู่ชีวิตที่ประเสริฐได้ นอกจากทุกมันจะเป็นแรงผลักให้เข้าหาธรรมหรือว่าให้เข้าหาให้ไปเจอกับความสุขที่ประเสริฐที่ความสุขที่ปานนี้แล้วเนี่ยตัวมันเองก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าถ้ามันสามารถที่จะสอนสามารถที่จะฝึกให้เรานะมีพัฒนาการได้คนเราถ้าไม่เจอความยากลำบากนะก็ไม่ฉลาดนะถ้าไม่เจอการบ้านยากๆนะ สติปัญญาก็ไม่พัฒนาหลายคนในจิตใจเข้มแข็งกล้ากแกร่งก็เพราะว่าเจอความยากลำบากตอนเด็กอาจจะต้องปากกัดตีนถีบบางคนก็เป็นลูกกำพร้าต้องหาเลี้ยงตัวเองบางทีมีพ่อแม่ก็พึ่งพาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีในลูกนะก็เจ็บปวดนะแต่ว่าทำให้ต้องหันมา พึ่งลำแข้งของตัวเองพอพึ่งลำแข้งตัวเองนี้ก็กลายเป็นว่าเกิดความฉลาดนะความเข้มแข็งโตก่อนวัยนะแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะนําพาชีวิตให้ประสบความเจริญได้อันนี้คือความสาเร็จทางโลกนะความสำเร็จทางโลกก็ต้องอาบางครั้งก็ต้องอาศัยความความอาศัยอุปสรรคความยากลำบากในทางธรรมก็เหมือนกันนะ อย่างความทุกข์เนี่ยถ้ามันความทุกข์จะมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์นะสอนใจได้สอนทั้งความเข้มแข็งความอดทนเช่นขันติหรือว่าสอนให้มีสตินะในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูที่ไหนนะเราก็ดูที่กายที่ใจนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันก็มี นะสุขและทุกสุขเนี่ยมันก็บางทีก็ทำให้เราเผลอทำให้เราเคลิ้มนะแต่ว่าพอเจอทุกเนี่ยมันทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกนะให้รู้ทันความเศร้าให้รู้ทันความโกรธให้รู้ทันความหงุดหงิดนะยิ่งเจอเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็เท่ากับว่ายิ่งเจอแบบฝึกหัดที่ทำให้สติของเราเนี่ยรวด รวดเร็วปราดเปรียวมากขึ้นนักปฏิบัติธรรมถ้าเจออารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วนี่เอาแต่กุ้มเอากุ้มใจนะอันนี้เลยว่ายังไม่ใช่นักปฏิบัตินะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเออเราต้องฝึกนะฝึกมาดูมันนะทำยังไงเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นจึงจะไม่รู้สึกว่าเราเศร้า เมอมันมีความผิดหวังเกิดขึ้นทํำยัางไงาจะไม่รู้สึกว่าเราผิดหวังเมื่อก็ตามที่มีความเศร้าเกิดขึ้นก็แล้วก็รู้สึกว่าเราเศร้าเมื่อใดที่เกิดความผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าเราผิดหวังอันนี้แสดงว่าไม่มีสตแิแล้วนะนะแทนที่จะเห็นมันเข้าไปเป็นแล้วเข้าไปเป็นเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเข้าไปเป็นหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็หมายความว่าอย่างนี้แหละ ทุเวลาทุกครั้งที่เราเกิดความรู้สึกว่าเ้เราเศร้าเราผิดหวังนะเราเสียใจเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราหลงแล้วเพราะว่าไปยึดเอาความเศร้าความผิดหวังว่าเป็นเรานะเป็นตัวกูของกูนี่เราเข้าไปเป็นแล้วเวลาปวดเมื่อยก็รู้สึกว่าเราปวดเราเมื่อย น, นี่ก็แสดงว่าเข้าไปเป็นแล้วแต่ถ้าถากว่าคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะพอมันเกิด อาการเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าเกิดกับกายก็ดีเกิดกับใจก็ดีก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สอนนะให้มีสติฝึกสติให้ให้ว่องไวในการเห็นนะไม่ข้อไปเป็นมันเป็นวัตถุดิบนะชั้นดีนะในการฝึกสตินะแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการทำให้เกิดปัญญาด้วยพระอาหารหันต์หลายท่านนี้ท่านก็นบรรลุธรรมนะเพราะาเจอความทุกข์นะเจอความทุก ป่วยป่วยหนักถูกไฟครอกนะถูกเสือกัดนะพวกนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเลยนะมันเป็นความเจ็บปวดทุกเขเวทนาบางคนก็ทุกเขเวทนาเพราะความแก่ชรานะเดินก็ปวดนะเดินปวดทุกก้าวที่เดินวินาศซ้ำยังสะดุดหกล้มนะตัวก็แทกพื้นก็ยิ่งเจ็บเครืไปใหญ่ แต่ตอนที่กําลังเจ็บเนี่ยนะท่านก็เห็นเลยนอะาโอสังขารเป็นทุกข์มากนะมันมีแต่ทุกข์ล้วนเลยก็เห็นไตรักนะเห็นไตรักเห็นเข้าใจเลยนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตท่านก็หลุดพ้นเลยนะเพราะปัญญาเกิดปัญญาเกิดได้เนี่ยเข้าใจไตรักได้เพราะเจอทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นอหกลม้มตัวกระแทกพื้นหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บ นะบางท่านถูกเสือกัดนะระหว่างที่เกิดทุกขเวทนานี้ท่านก็มีสติดูนะแล้วก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากก็เรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดเนี่ยเอาทุกขเวทนานี้มาดูมันดูเวทนามันก็เห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากนะมันไม่น่ายึดถือเลยเห็นชัดๆมันก็ปล่อยเลยนะเหมือนกับที่ เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเราเราละ เ, เมอนะแล้วเราก็แบกหินแบกหีบตื่นขึ้นมารู้ว่าแบกอะไรมันหนักมากนะเราวางเลยหรือว่าตื่นก็ได้นะแล้วก็แบกขีบสมบัติเชื่อว่าข้างในนี่มีทองแต่พอความจริงเปิดเผยออกมาว่ามันไม่ใช่ทองมันเป็นหินไม่มีค่าอะไรเลยร้อยทองร้อยเนี่ยพอรู้ความจริงก็ โยนมันทิ้งเลยนะหรือว่าเปิดมาแล้วรู้ว่าข้างในเป็นงูนะเป็นอสารพิษมันก็วางเหมือนกันนะโยนทิ้งเลยมันไม่ต้องคิดอะไรมากแนละ้วไอ้การที่เราเห็นสังขารเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยนะมันทําให้เกิดปัญญาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีทุกข์เกิดขึ้นกับสังขารเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะ มันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมันแสดงธรรมให้เราได้เห็นได้ไม่ต้องถึงกับเป็นผ้าหลานก็ได้นะอ่าคนที่มักปฏิบัติธรรมนะเราก็อาศัยความทุกข์นี่แหละฝึกใจเราฝึกใจเราให้มีความมั่นคงนะอาศัยคําต่อว่าด่าทอเนี่ยเป็นเครื่องฝึกให้เรานะมีความมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนะต่อคํา นะต่อว่าด่าทอรหรือแม้กระทั่งคําดินทาเนี่ยนะมันเข้าหูเรานะมันก็ฝึกใจเราได้นะฝึกใจแล้วว่าเราจะหว่นไหวคล้อยตามไหมนะนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะไม่ว่าทําอะไรเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติทําได้ไม่ว่าเจออะไรนะมันก็สอนทําได้แล้วตัวที่สอนทําได้ดก็คือไอ้ตัวทุกข์นี่แหละ นะถึงบอกตั้งแต่ต้นวันชาวพุทธเราเนี่ยเราไม่กลัวทุกนะถึงแม้ว่าจุดมุ่งหมายเราคือพ้นทุกแต่เราไม่กลัวทุกนะเพราะเรารู้ว่าทุกมีประโยชน์สำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเห็นประโยชน์ของมันหรือเปล่านะเราจะเห็นประโยชน์ของมันไหมเคยเล่าไปแล้วนะว่านะหมอชีวะกะกรมรพัฒเนี่ยนะไปศึกษาวิชาแพทย์นะที่ตักกศิลา จากอาจารย์ที่สาปาโมกเรียนมาเจ็ดปีไม่รู้ว่าจบหรือยังมีความรู้พอที่จ ะ, ะกลับไปทำกลับไปที่บ้านหรือยังก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ว่าในที่เรียนมาเนี่ยจบแล้วยังอาจารย์ก็เลยทดสอบนะว่าเอาเอ า, เอาเสียงไปแล้วก็ให้ไปหาเอานะพื้นที่บริเวณรอบเมืองตักศกิลาหนึ่งยเนี่ยในรัศมีหนึ่งยเนี่ย ให้ดูซิว่ามีตัวยานมีพืชมีอะไรบ้างที่เป็นเป็นยาไม่ได้มีอะไรบ้างที่เป็นยาไม่ได้ต่างก็ไปหานะหาแล้วหาอีกหาแล้วอีกใช้เวลาอยู่นานนะก็กลับมารายงานาว่าไม่เห็นอะไรเลยนะที่เป็นยาไม่ได้นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าวัชพืชก็ดีนะพวกอุตพิษก็ดีนะพวกมายราบหรือพวกวัชพืชที่มีพิษมีหนามนะ เลยแล้วแต่เอามาทําเป็นยาได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่มีประโยชน์ทํารั้วบ้านนะหรือไปเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะแต่ว่ายังสามารถจะทําเป็นยาได้ทุกชนิดเลยไม่มีอะไรที่ทําเป็นยาไม่ได้แม้แต่สิ่งที่มีพิษมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่พืชพืชต่างๆเท่านั้นที่ไม่มีทมี่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะไอ้สิ่งที่ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยกายหรือได้ยินด้วยหูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำดา่านี่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะอากาศร้อนหรือหนาวก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะหรือว่าอุปสรรคความยากลำบากรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเรานะความเหงาความเบือ่อความทุกข์คนที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่านะั้น คนที่มีสายตาแหลมคมอย่างหมอชีวกเนี่ยมองอะไรก็เห็นเป็นตัวยาหมดเลยนะถ้ามองไม่เห็นว่าเป็นตัวยาก็แสดงว่ายัางไม่มีปัญญา น, นะ่ะชาผู้รรานี้ก็เหมือนกันนะเราต้องพัฒนาปัญญาจนทั้งสามารถจะเห็นทุกอย่างเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์นะแม้กระทั่งความทุกข์ก็มีประโยชน์นะที่จริงอริสัตย์ข้อแรกเนี่ยนะก็คือทุกข์ัตริย์เนี่ยนะผู้เจ้าสอนว่า ทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไอสิ่งที่ต้องละคือสมุ ท, ทยัยหรือสายแห่งทุก์ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้เพราอะไรเพราะจะทําให้เราเห็นสมุทัยถ้าเรารู้จักทุกดีพอเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยหรือร่างเงาของมันก็คือสมุทัยถ้าเราไม่ไม่เราจะรู้ทุกได้เราต้องเจอทุกนะถ้าเราไม่ไม่เจอทุกเราจะรู้ทุกได้อย่างไรหรือเราจะรู้จักทุกได้อย่างไร นะถ้าเราผ่านอริสัต์ข้อแรกไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถจะทะลุไปถึงอริสัต์ข้อที่สองสามสี่นะเนั้นประจุกันเนี่ยมันจึงเป็นประตูไปสู่ธรรมนะเ น, นเวลาเราเวลาเร า, าเรียกตัวนักเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ให้ปรับทัศนคติของเรานะต่อความทุกข์นะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ น่ากลัวเป็นเรื่องที่ต้องเกลียดกลัวมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจอย่าไปกลัวอย่าไปเกลียดนะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาให้เห็นว่ามันมีประโยชน์ถ้าเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้เนี่ยนะเราก็จะถือเราก็จะเจริญงอกงามได้ถึงแม้จะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตทางโลกนะทำหมากินก็เหมือนกันนะ ความล้มเหลวอุปสรรคต่างๆเนี่ยล้นแต่มีประโยชน์นะเพราะว่าความล้มเหลวก็สามารถจะให้เรียนนะในการพัฒนาความความสามารถพัฒนาสติปัญญาของเราได้คนที่เขาประสบความสาเร็จนะก็ล้วนแต่เคยล้มเหลวมาก่อนนะแต่ว่าเขารู้จักเอาความล้มเหลวเป็นครูเอาอุปสรรคเป็นอาจารย์นะ มันก็เลยทําให้เกิดความเจริญงอกงามและประสบความสําเร็จได้เรปรับความปรับทันศน์ตาติของเราให้ถูกนะว่าทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องกลัวไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกลียดนะถึงแม้ว่าเราจะมุ่งการพ้นทุกข์นะแต่ว่าก็เห็นว่าทุกข์ก็มีประโยชน์นะที่จะนําพาไปสู่การพ้นทุกข์หรือนําไปสู่ชีวิตที่เจริญงอกงามหรือว่าสามารถจะช่วยเราเห็นวิธีแห่งความสุขที่ประเสริฐได้